เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องไม่ต้องรอผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งเดินอุ้ยอ้ายขึ้นมาบนรถเม์ พอเดินพ้นบันไดเด็กนักเรียนเจ็ดขวบก็รีบลุกขึ้นหญิงมีคันเห็นว่าเด็กนักเรียนอายุยังน้อยแถมถือกระเป๋าใบใหญ่จึงสั่นหัวให้เด็กและพูดยิ้มยิ้มว่าไม่ต้องหลอกหนูวานั่งเธอเด็กน้อยจึงนั่งลงใหม่พอผ่านไปสักครู่เด็กนักเรียนก็ลุกขึ้นอีกหญิงมีคันจึงพูดว่า น้าบอกว่าไม่ต้องน้ายืนได้อีกไม่นานก็ลงแล้วพูดพลางเอื้อมมือกดไหลเด็กเบาๆเด็กน้อยจึงนั่งลงอีกครั้งหนึ่งผ่านไปได้สักพักเด็กน้อยลุกขึ้นมาอีกหญิงมีคันซาบซึ้งน้ำใจเด็กน้อยที่อุตส่าห์สละที่นั่งให้หนูว่าน่ารักจริงๆหนูนั่งเธอ อกล่าวซ้ําแล้วกดหัวไหลเด็กนักเรียนให้นั่งลงอีกคราวนี้เด็กนักเรียนทําตาและห้อยแล้วพูดว่าคุณน้าครับผมขอลงรถได้ไหมครับบ้านผมมาเลยมาสามป้ายแล้วครับคุณนะ้าปรารถนาดีต่อเด็กน้อยไม่อยากให้เด็กน้อยลําบากเพราะเธอแต่ความปรารถนาดีของเธอ กลับสร้างปัญหาให้เด็กน้อยความเมตตาและกัรุณาบางครั้งก็อาจทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนากัรุณาจึงต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง